ในโอกากิจกรรมคอปฏิจจสมุปบาทวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทหรือระบบที่แสดงรายละเอียดของเหตุเกิดทุกข์หรือรายละเอียดของสมุทัยอริยสัจ ซึ่งเป็นเขตตัวความรู้ในระดับยาณทัศนะเลยถ้าโยมรู้แจ้งห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทได้ทุกอาการโดยไม่เหลือความสงสัยในระบบนั้นเลยเรียกว่าโยมมียาณทัศนะขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวคือเป็นผู้เห็นแจ้งเหตุเกิดทุกขนะ์ได้กำไรชีวิตลนวะ เก็บไว้ก่อนหนึ่งตัวการเห็นแจ้งเหตุเกิดทุกข์ไม่ได้ทำให้สิ้นความต้องการทุกสิ่งในโลกการจะสิ้นความต้องการทุกสิ่งในโลกเนี่ยต้องเห็นแจ้งทุกข์ขั้รู้แจ้งทุกข์จนเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เคยหลงนั่นจึงเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดนะรู้แจ้งทุกข์ ทีนี้ห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทที่แสดงถึงรายละเอียดของเหตุเกิดทุกข์ mm. ก็มีห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทในความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ส่งแสดงไว้เป็นห่วงโซ่ที่ค้นพบในคราวสวยวิมุตติสุขนี้ก็จะแสดงตั้งแต่ อวิชายาวจนถึงการเกิดหรือชาติยาวถึงชาติเลยหรือจากชาติไปถึงอวิชาเป็นสิบอาการนั้นเป็นการแสดงวงโซปติจะสมุบบาทที่พระองค์ได้ทบทวนแล้วไหลยาวลึกไปจนถึงอวิชาต่อมาผ่านช่วงวันเวลาผ่านมาอีก ผ่านมาอีกพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทด้วยการแสดงผ่านการทำงานทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจท้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาททั้ง11ออาการก็สามารถที่จะกระทํา หรือมีขึ้นได้อย่างครบถ้วนเมื่อตาถึงภาพหูถึงเสียงจมูกถึงกลิ่นลิ้นถึงรสกายถึงผลพระใจถึงกันเข้ากับธรรมรมณ์หรือสัญญาเวทนาสังขารพอถึงกันเข้าแล้วห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาททั้งสิบเอ็ดอาการก็มีได้ ก็ทำงานได้การแสดงในพระสูตรแบบนี้เป็นการย่นระยะทางหรือย่ออาการย่ออาการของสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัดสะเวทนาย่ออาการย่อตรงส่วนนี้ แต่ไม่ย่อตรงตันหาอุปาทานพบชาตยนระยะทางเพราะในขณะที่มีเวทนาหรือมีตาถึงภาพตรงนั้นอายตนะทำงานอายตนะทำงานและในที่ที่อายตนะทำงานผัสสะก็ทำงานเวทนาก็ก่อเกิดเวทนาก็มีขึ้นตรงที่ตาถึงภาพ ตรงที่อายณนะทำงานได้นั่นนะถ้ามองให้ลึกเข้าไปก็จะพบว่านามรูปก็ต้องทำงานวิญญาณก็ต้องทำงานสังขารก็ต้องทำงานสังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยเขามีอยู่ในทีเสร็จแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้พูดถึงหรือไม่แสดงการอธิบายการทำางานของสังขารวิญญาณนามรูป เก็เริ่มที่อายตนะเลยอายตนะคือตาพอตาถึงภาพเกิดการรู้ต่อภาพทางตาตรงนั้นมีผัสสะทางต า, ท, างทันทีพอมีสัมผัสทางตาบุคคลนั้นก็จะเกิดการเสวยความรู้สึกต่อภาพทางตาการเสวยความรู้สึกต่อภาพทางตาตรงนั้นเขาเรียก มีเวทนามีเวทนาและมีความรู้สึกนี้เจ้าความรู้สึกนี่หละมันมีหลายความรู้สึกและเจ้าหลายความรู้สึกเนี่ยถ้าปราศจากวิชาตรงนี้คืออวิชาปราศจากวิชาหรือความรู้ทั่วถึงต่อเจ้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อตาไปสัมผัสแล้วบุคคลนั้นก็พร้อมจะมีตัณหา เพราะการสัมผัสครั้งนั้นเมื่อมีตัณหาขึ้นมาได้ก็เป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นมีอุปาทานถ้ามีตัณหาก็มีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานก็มีภพเมื่อมีภพก็มีชาติอันนี้ได้ส่งอธิบายแบบนี้หูถึงเสียงอายตนะคือหู ไปถึงต่อเสียงเกิดกันรู้ต่อเสียงนั้นเมื่อรู้ต่อเสียงนั้นขึ้นมาตรงนั้นเ็าเรียกว่ามีผัสสะต่อเสียงหูถึงเสียงและมีวิญญาณคือตัวรู้รู้ต่อเสียงตรงนั้นคือผัสสะทางหูเมื่อสัมผัสต่อเสียงแล้วมันเกิดความรู้สึกที่ได้ยินเสียงนั้นขึ้นมา ในความรู้สึกอย่างนั้นถ้าปราศจากความรู้ทั่วถึงในความรู้สึกที่รู้สึกเมื่อหูไปกระทบเสียงเนี่ยก็พร้อมจะเป็นปัจจัยให้มีตัณหาต้องปราศจากความรู้ทั่วถึงเมื่อไปกระทบเสียงข็ใช้คาว่ามีอวิชชาสัมผัสอวิชชาเข้าไปสัมผัส สงจึงเป็นปัใจจัยให้มีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทา น, มาานมเมื่อมีอุปาทานก็มีภพเมื่อมีภพก็มีชาติไล่ไปจนทุกอายตนะทั้งทา ง, ทงตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะเห็นว่าถ้าปราศจากวิชาก็าไปสัมผัสต่อเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ จะทำให้บุคคลนั้นมีตัณหาได้ทุกทางเลยมีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็จะมีอุปาทานมีวัฏฐานก็จะมีภพมีภพก็จะมีชาติพระสูตรนี้ทำให้เราคิดคิดว่าตัณหาอุปาทานภพชาติเนี่ยมันเกิดมันดับได้ตามผสัสษาคิดว่ามันเกิดดับตามผสัสษาเพราะว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันกระทบกันตลอดเวลาเมื่อกระทบตลอดเวลาตัณห า, ากตาาาต็ต้องเกิดตลอดเวลาอุปทานภพชาติต้องเกิดตลอดเวลาพระสูตรนี้ทำให้สามารถโน้มเอียงให้คิดไปแบบนี้ได้แล้วหน้าตาของมันเป็นยังไง ในพรนี้ไม่มีประสงค์จะอธิบายถึงกลไกรระบบทั้งระบบต้องการอธิบายในส่วนที่สําคัญคือในส่วนที่จะทําให้บุคคลนั้นมีตัณหาสําหรับจะสามารถป้องกันตัณหาไม่ให้มีขึ้นในใจถ้าป้องกันตัณหาไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีขึ้นอุปทาน ก็จะถูกดับไปอุปทานก็จะไม่มีพบก็จะไม่มีชาติก็จะไม่มีก็จะมีว่าเมื่อตาถึงภาพมีรู้ต่อภาพตรงนั้นคือสัมผัส ต, ต่อภาพทันทีถ้ารู้ตั้งอยู่ว่าตาถึงภาพมันมีรู้ภาพตรงนั้นคือสัมผัส ต, ต่อภาพเมื่อสัมผัส ต, ต่อภาพก็จะทำให้เกิดเวทนาะ เมื่อมีสัมผัสก็จะมีความรู้สึกและในความรู้สึกนั้นถ้าปราศจากวิชารู้ทั่วถึงความรู้สึกก็จะมีตัณหาแต่เมื่อใดก็ตามบุคคลมีเวทนามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแล้วเมื่อสัมผัสต่อภาพนั้นแล้วบุคคลมีวิชาสัมผัสมีความรู้ทั่วถึงในเวทนาเข้าไปสัมผัสต่อเวทนานั้น ตันหาก็ไม่เกิดเมื่อมีวิชาสัมผัสตเวทนาตันหาจึงดับเมื่อตันหาดับอุปทานก็ดับเมื่ออุปทานดับพบก็ดับเมื่อพบดับชาติก็ดับก็มีพระสูตรแบบนี้ว่าถ้าไปสัมผัสอะไรแล้วมันมีเวทนามีความรู้สึกแล้วและเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นบุคคลนั้นมีความรู้ในอริยสัจ เดือมีตัววิชาปัญญาเนี่ยเข้าไปรู้ทั่วถึงต่อเวทนานั้นตันหาก็จะเกิดไม่ได้เวทนานั้นก็จะเย็นไปไม่เป็นปัจจัยให้ตันหากเกิดได้เมื่อมีวิชาสัมผัสเวทนาตันหาจึงดับเมื่อตันหาดับอุปทานดับพบดับชาิดับ พะเมื่อใดก็ตามมีอวิชชาเมื่อนั้นจะมีตัณหาเมื่อใดมีวิชชาเมื่อนั้นตัณหาดับกลายเป็นทุกขภาษะเนี่ยมีอวิชชาได้มีวิชชาได้ตัณหาเกิดได้ตัณหาดับได้นี่คือพระสูตรจากพระไตรปิฎกก็จะมีในแบบ ที่แสดงห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทผ่านการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อที่บุคคลนั้นจะสามารถทำให้ตัณหาในภายในเนี่ยมันไม่เกิดหรือไม่ก่อใหญ่ทีนี้มาดูรายละเอียดเมื่อบุคคล มีตาถึงภาพจะมีตัวรู้ต่อภาพตรงนั้นคือภาษะเมื่อมีภาษะก็คือมีเวทนาคำว่าเวทนาเนี่ยตามที่เราเรียนกันตามตําราที่เรียนเวทนาเราก็จะได้ยินอยู่แค่ว่ามันเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือลึกกว่านั้นก็มีเวทนาในชั้นที่เกิดความรู้สึก พอใจไม่พอใจอันนี้คือเวทนา5แต่ในรายละเอียดของเจ้าหน้าตาของเวทนาเนี่ยไอ้คำว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเขาหมายถึงแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่จัดว่าสุขจัดว่าทุกข์จัดว่าไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือแบ่งเป็นสามกลุ่มแต่คำว่าเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกนะคือความรู้สึก พอตาเห็นภาพแล้วมันรู้สึกขึ้นมาสัมผัสภาพแล้วรู้สึกชอบเลยชอบนี่ก็คือความรู้สึกรู้สึกชอบเนี่ยพอรู้สึกชอบเข้าไปประทับใจเข้าไปแล้วปราศจากความรู้ทั่วถึงต่อสิ่งที่ตาเข้าไปกระทบต่อความรู้สึกชอบที่ตนเองกาลังรู้สึกเนี่ยการสัมผัสต่อเวทนาหรือสัมผัสต่อภาพ แล้วเกิดความรู้สึกชอบแล้วไม่รู้ทั่วถึงไม่รู้เท่าทันเกิดความประทับใจเลยเนี่ยจึงทำให้ผัสสะทางตานั้นเนี่ยนพาให้บุคคล น, นั้นมีตัณหาเพราะมีความรู้สึกชอบจึงมีความต้องการในความต้องการตรงนี้หมายเอาถึงความต้องการที่เข้าไปนอนเนื่องภายใน ความต้องการชั้นภายในความต้องการที่เรามีอยู่ในใจทุกวันเนี้ยบางคนมีมากมีน้อยเนี่ยเพราะว่าได้ไปเห็นมาไปเห็นมาแล้วติดเชื้อโลกเข้ามาด้วยมันเข้ามาค้างข้างในไปได้ยินมาไปได้ยินชอบเลยได้ยินแล้วประทับใจเลยแบบนี้ต้องเอาให้ได้สักทีนี่คือได้ยินมาไปประทับใจมาพอไปประทับใจมาจึงไปติดใจมา ตันหาคือตัวเดียวกันนะคือตัญหาชั้นนอนเนื่องไอ้ตันหาชั้นนอนเนื่องนี้แหละมันก็มาเมื่อตาเห็นภาพเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นสัมผัสรสเมื่อใจสัมผัสธรรมรมณ์เขาจะเกิดตันหาชั้นนอนเนื่องมันติดเชืโลกมาตัญหาในชั้นเป็นตัวความคิดอยากเป็นชั้นความรู้สึกอยากเนี่ย ถ้าคิดอยากนั้นหมายถึงทำหน้าที่อยู่ในรูปทรงของสังขารละขันธ์สังขารละขันธ์เกิดแล้วดับสนิทไปเกิดแล้วดับไปเนี่ยมันจะมีปัญหากับเราไหมไม่มีเพราะเกิดแล้วดับไปจบไปความรู้สึกเกิดแล้วดับไปมันไม่มีปัญหาแต่ไอ้ที่เกิดแล้วค้างคาภายในนั่นะมันคือมีปัญหาปัญหาที่มันจะหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันธ์ ตันหาในชั้นนอนเนื่องเท่านั้นที่จะทรงตัวในการหล่อเลี้ยงการมีอยู่ของอุปาทานอุปท า, านเมื่อมีอยู่ก็หล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันไม่ให้ดับสนิทนั้นคําว่าตันหาในที่เนี้ยหมายถึงตันหาประเภทเดียวคือตันหาชั้นนอนเนื่องหรือชั้นนอนประจําแล้วเจ้าตันหาที่มานอนเนื่องนะี้มันมีเพราะปราศจาก ความรู้ทั่วถึงต่อเจ้าเวทนาชีวิตของคนเราที่มีตัณหาในภายในเนี่ยเพราะเมื่อตาไปเห็นไปเห็นแล้วไปประทับใจไปชอบใจเป็นยินดีไปติดใจเลยนี่คือไม่รู้ทั่วถึงเวทนาเนี่ยตรงนั้นเรียกว่าปราศจากวิชาเข้าไปสัมผัสนี้ติดใจกลับมาบ้านเลย ในพัรษะนั้นผัรษะเดียวในบางทีค้างอยู่สิบปีติดใจคาอยู่เป็นหลายปีตราบเท่าที่ยังไม่ได้มันมาเนี่ยความต้องการสิ่งนั้นจะยังอยู่ในใจไหมอยู่เมื่อความต้องการมีอยู่อุปาาทานมีไหมมีเมื่อวทานมีขันก็ดับไม่สนิทแค่พัรษะนั้นพัรษะเดียวถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยปัญหาที่จะเกิดเพราะพัรษะนั้นเนี่ยเข้าไปค้างคาได้เลย เมื่อตัณหาค้างคาอยู่มีอยู่อุปทานก็มีก็ใช้คําว่าเพราะปราศจากความรู้ทั่วถึงซึ่งเวทานานั้นจึงเป็นปัใจจัยให้มีตัณหาคําว่ามีตัณหาในที่นี้คือมีตัณหาในภายในเมื่อมีตัณหาจึงเป็นปัใจจัยให้มีอุปาทานเพราะผัสสะนั้นละ่ะ เมื่อมีอุปทานจึงเป็นปัจจัยให้มีพบขันดับไม่สนิทเพราะไอ้เจ้าผัสสนั่นละ่ะทีนี้ชีวิตคนเราเนี่ยมีผัสสนกี่ทางหก <6 S 1> <6 S 2> ทางตันหาพร้อมที่จะเข้าไปฝังลึกได้ทั้งหกทางมหมหกทางใครมีตันหาตัวเดียวบ้างไม่มีมันมีด้วยกันทั้งหลายตัวและไอ้เจ้าตันหาทุกๆตัวเนี่ยหล่อเลี้ยงอุปทานได้ไหม ได้อุปาทานที่เกิดเพราะตันหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเลี้ยงพบได้ไหมได้ถ้ายังมีตันหาบุคคลนั้นก็จะยังมีอุปาทานถ้ายังมีอุปาทานบุคคลนั้นก็จะยังมีพบถ้ามีพบก็จะยังมีชาติและเจ้าตันหาที่เข้าไปนอนเนื่องเนี่ยมันเหมือนเชื้อโรคสัมผัสแล้วติดโรคสัมผัสแล้วติดโรคติดโรค ก, ก็ป่วยอยู่นะั่นถ้าไม่เอาโรคมันออกดันั้น การสัมผัสแล้วทําให้เกิดเวทนาเนี่ยในวงแคบของเวทนาคือแค่ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่จริงๆแล้วเวทนาคือความรู้สึกอย่างสัมผัสแล้วรู้สึกโกรธเลยเนี่ยรู้ไม่เท่าทันความโกรธมันเก็บความโกรธค้างๆในใจได้ไหมเมื่อความโกรธค้างๆในใจความโกรธที่เกิดขึ้นนี่ยหล่อเลี้ยงความต้องการได้ไหม ได้ต้องการเห็นพินาศต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นต้องการที่จะให้คนนั้นเป็นอย่างนี้พอต้องการคนนั้นมีใจเกาะเกี่ยวกับเรื่องที่โกรธกับคนที่โกรธได้ไหมได้พอสัมผัสแล้วโกรธตรงโกรธก็คือความรู้สึกตรงโกรธไม่ใช่ความจำแต่คือความรู้สึกอะไรที่คือความรู้สึกนั่นคือเวทนา ความรู้สึกโกรธจะจัดไว้ตรงสัญญาได้ไหมไม่ได้สัญญาคือจําได้ว่าโกรธแต่ตรงรู้สึกโกรธเนี่ยชีวิตเขาแบ่งเป็นห้ากองถ้ารู้สึกเขาวางไว้ตรงเวทนาถ้ารู้สึกโกรธตรงนั้นคือเวทนาถ้าจําได้ว่าโกรธเอัเนี่ย น, นี่คือสัญญาถ้าถ้าคิดปรุงสร้างกิริยาอะไรขึ้นมาอย่างเช่นคิด พูดทำหรือกระทำในใจตรงนั้นต้องวางไว้ตรงสังขารถ้ารู้ว่าโกรธตรงนั้นคือวิญญาณนั้นพอรู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยจะไปใส่ว่ามันคือสัญญาขันได้ไหมสังขารละขันวิญญาณะขันรูปขันไม่ได้แต่ว่าทุกกิริยาของชีวิตมันต้องมีที่อยู่มันไม่หยุดจัดไว้ว่ามันคือรูปก็ต้องเป็นเวทนา ไม่ใช่เวทนาก็ต้องเป็นสัญญาไม่ใช่สัญญาก็ต้องสังขารไม่ใช่สังขารก็ต้องวิญญาณความรู้สึกโกรธต้องมีที่อยู่ให้เขาดังนั้นถ้ารู้สึกโกรธขึ้นมาความรู้สึกโกรธก็ต้องตั้งไว้อยู่ในส่วนของเวทนาความรู้สึกกลัวความรู้สึกกลัวนี่ทำให้ทุกข์ได้ไหมไ ด, ได้นะจึงจัดอยู่ในส่วนที่เป็นทุกข์แต่ ส่วนที่อยู่ในในส่วนที่เป็นสุขทุ ก, ทก<ส>ข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนะี่ยไอ้ความรู้สึกกลัวเนี่ยจัดไว้อยู่ในกลุ่มของทุกขเวทนาพอกลัวขึ้นมาแล้วใจมันทรมานนะทรมานแต่มันก่อหน้าตาเป็นความรู้สึกกลัวแต่ตรงความรู้สึกกลัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มของทุกขเวทนาความรู้สึกกลัวหน้าตาความรู้สึกกลัวสัมผัสแล้วมันกลัว รู้ไม่เท่าทันความกลัวเนี่ยอวิชชาสัมผัสในความรู้สึกกลัวเนี่ยเก็บความกลัวข้างค้างไว้ในใจได้ไหมความกลัวตัวเนี้ยหล่อเลี้ยงความต้องการได้ไหมได้ต้องการที่จะพ้นจากเรื่องราวตรงนี้อย่างเช่นตาไปสัมผัสเรื่องราวอย่างนี้เข้าไปหูไปได้ยินเรื่องราวอย่างนี้เข้าไปรู้ไม่ทันเก็บความกลัวมาเลยรู้สึกกลัว พอรู้สึกกลัวค้างคานั่งก็กลัวนอนก็กลัวนอนไม่หลับด้วยความกลัวที่เหลืออยู่เนี่ยกระตุ้นให้คนนั้นคิดต้องการได้ไหมได้ต้องการที่ให้ตนพ้นจากเงื่อนไขต้องการให้ตนอย่าได้เจอมันเมื่อมีความต้องการอยู่ใจยังเกี่ยวพันเป็นไหมเกี่ยวพันนั้นก็คืออุปาทานเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทา สัมผัสครั้งเดียวเนะี่ยมีที่เก็บความกลัวไว้นานเลยถูกไหมเก็บความกังวลไว้นานเลยรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึ ก, กโกรธพยาบาทรู้สึกชอบเหลือเกินทุกความรู้สึกเหล่านี้ถ้าปราศจากความรู้เท่าทันแล้วแล้วก็มันจะเป็นปัจจัยให้มีตัณหาในชั้ น, นอนเนื่อง ฉันชีวิตเราเกิดได้หลายความรู้สึกรู้สึกเหงาเนี่ยสัมผัสสัญญาในอดีตทําให้เกิดความรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกเบื่อเกิดได้ไหมสัมผัสสัญญาในอดีตเรื่องราวอดีตสัมผัสเหตุการณ์อดีตกับสัมผัสต่อภาพเสียงกลิ่นรสผลทพะทั้งหลายเนี่ย พอจะให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือ ก, ก็มีสุขกับอะไรมันติดใจได้ไั้ยได้รู้ไม่ทันก็รู้สึกเป็นสุขลึกจากการสัมผัสหรือรู้ไม่ทันก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลินสัมผัสแล้วมันสนุกเหลือเกินพอสนุกแล้วติดใจต้องติดใจนั่นคือราคารู้ไม่ทันความรู้สึกสนุกหรือสุขบันเทิงใดๆไม่ว่าเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พอ ร, รู้ไม่ทันตรงนั้นก็เรียกมีอวิชชาสัมผัสละปราศจากวิชาปัญญาที่รู้ทั้งถึงความรู้สึกสุขรู้สึกสนุกรู้สึกกลัวโกรธเกลียดรักชอบเบื่อเหงาเศร้าเนี่ยถ้าปราศจากวิชาเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยบุคคลนั้นก็จะมีตัณหาได้ตัณหาในที่นี้คือตัณหาภายใน เช่นยมรู้สึกสนุกอะไรสักสิ่งไปเจอมันก็แล้วรู้สึกโอ้สนุกเหลือเกินบันเทิงเหลือเกินเนี่ยติดใจได้ไหมเหมือนเด็กติดเกมเนะี mm ่ย hmm. นึกถึงแต่เกมใช่ไหมสำหรับสนุกนึกลับบ้านไม่เป็นอันทาอะไรนึกถึงแต่จะเล่นนึกถึงแต่จะเล่นนึกถึงแต่จะเล่นคือไปสัมผัสแล้วได้รสสุกรสนุกได้ความรู้สึกอะไรเข้ามาแล้ว ไม่มีวิชาเข้าไปรู้เท่าทันกว่ารู้สึกเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่รู้เท่าทันจึงเป็นปัจจัยให้มีตัณหาคำว่ามีกับคำว่าเกิดเนี่ยอันเดียวกันไหมมีตัณหาพอไม่รู้เท่าทันเนี่ยติดใจเข้าไปเลยฝังลึกเข้าไปในทางกลัวโกรธเกลียดกังวลได้เลยนั้นอาการทั้งปวงเหล่านี้ เป็นปัจจัยให้มีตัณหาภายในได้ไหมมีตัณหาในภายในเนี่ยได้ทุกภาษาเลยดังนั้นในทุกภาษาเนี่ยที่ทำให้เกิดเวทนาเนี่ยจะทำให้บุคคลมีตัณหาทุกภาษาไหมไม่หรอกทุกการสัมผัสจะทำให้มีเวทนาแต่ไม่ใช่ว่าทุกเวทนาจะทำให้มีตัณหา เราเกลียดทุกภาษาั้ยเรารักทุกภาษาั้ยไม่บางภาษาสัมผัสก็เฉยๆจบไปไม่มีอะไรแต่บางภาษาเท่านั้นละที่ถ้ารู้ไม่ทันแล้วมันจะทำให้มีตันหาเหมือนบางภาษาเท่านั้นรู้ไม่ทันแล้วติดเชือ้อเหมือนคนเจอคนหลายๆคนเขาใกล้คนบางคนเขาเป็นหวัดอย่างแรงเขาใกล้ทำไมระวังก็จะติดวัด แต่บางคนก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาใกล้แล้วเป็นอะไรไะไม่เป็นอะไรเวทนาหรือความรู้สึกเนี่ยมันมีหลากความรู้สึกความรู้สึกบางชนิดถ้าเกิดแล้วถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยมันจะทำให้มีตันหาแต่ความรู้สึกบางชนิดถึงไม่ต้องไปรู้มันมันก็ไม่ทำให้มีโยมยังรู้สึกเฉยเฉยโยมจะเกิดตันหาอะไรมันก็ไม่เกิด หรือไม่ได้รู้สึกรับอะไรมากไม่ได้รู้สึกชอบอะไรนะักสัมผัสก็รู้สึกสบายก็จบไม่ถึงขนาดติดใจมีไหมรู้สึกสุขดีแต่ไม่ถึงขนาดติดใจมีไหมกับรู้สึกในระดับโหติดใจเลยประทับใจเลยเนะี่ยมีไมไอ้ตรงติดใจเนี่ยอันตรายถ้าเริ่มติดใจแล้วไม่มีความรู้เท่าทันเข้าไปเนี่ยมันจะเติมความรู้สึกชอบใจ พอใจยินดีต่อเรื่องนั้นให้แน่นยิ่งขึ้นพุทเจ้าใช้คำว่ามันเข้าไปก่อใหญ่ในภายในเราเคยชอบใจอะไรอย่างนี้ถ้าไปสัมผัสแล้วมันเจอสิ่งที่ชอบอีกมันจะเกิดความติดใจยินดีในรูปแบบแบบนี้ในสิ่งนี้อีกให้มันเข้มขึ้นพอติดใจอย่างนี้อยู่ใจที่ติดใจมันอยู่เนี่ยจะยังผูกพันและต้องการมันไห ต้องการเมื่อยังต้องการเนี่ยสายตาศาสตร์ส่องหาไหมหาความคิดคิดถึงมันไหมคิดถึงเมื่อยังคิดถึงยังศาสตร์ส่องหายังกระหายต่อมันเนี่ยหมายถึงใจยังต้องการมันไต้องการเมื่อยังต้องการก็หมายถึงวางมันลงหรืยังอย่า ง, างมันก็ติดอยู่กับใจนั้นภาษา ที่ทำให้จิตนั้นมีตัณหาในภายในมันเยอะไหมเยอะเยอะนะนั้นกว่าที่เราจะเด็กมาจนถึงตอนเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรมาเยอะแล้วละ่ะจึงทำให้ภายในของเรามีอะไรเยอะขึ้นมาด้วยตัณหาในภายในไอภายในที่มีกันอยู่เนี่ยมันมาเข้ามาทางไหนเข้ามาทาง ตหูจมูกลิ้นกายใจเหตุที่มันเข้ามาเพราะว่าเราไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสวิชาเนื่องจากทําไมเรายังไม่ได้เรียนอริยสัจยังไม่ได้เรียนอริยสัจก็เลยปล่อยก็เข้ามาตามธรรมชาติเลยเมื่อเข้ามาได้จากที่บางหนาได้ไหมได้ถ้ามีบางๆางเล็กๆเนี่ยตันหาเล็กๆถ้ามีอยู่เนี่ย จะไม่มีอุปทานได้ไห ม, ไมไตัณหาเยอะๆถ้ามีอยู่จะไม่มีอุปทานได้ไหมไม่ได้เมืม่อใดก็ตามมีตัณหาเมื่อนั้นก็จะมีอุปทานเมื่อมีอุปทานขันก็ดับไม่สนิทถ้าขันดับไม่สนิทการเกิดอีกต่อไปก็มีทีนี้ไม่ว่าตัณหาที่มีเพราะการเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกทาง ถ้ามันมีขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยอุปทานมันจะมีไหมมีเมื่ออุปทานมีพบก็มีเมื่อพบมีชาติก็ยังมีอยู่แต่ถ้าบุคคลเข้าใจในระบบอย่างนี้แล้วเนี่ยถือเอาความเข้าใจนี้มาใช้ในการปฏิบัติจริงเริ่มเอามาใช้แล้ะ พอตาถึงภาพผูดึงเสียงไปเห็นไปได้ยินอะไรเข้าเนี่ยมันเกิดความรู้สึกเลยฉนันจะเกิดความรู้สึ ก, กโกรธโกรธเลยโกรธแล้วจะเก็บด้วยพอเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกโกรธเพราะว่าเจอกระทบอย่างรุนแรงเลยเนี่ยบุคคลนั้นมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาที่เข้าใจลงไปเลยว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ความรู้สึกนี้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแปรปลนุนเป็นสิ่งเกิดดับการโกรธที่สาลังแต่จะทําให้เข้าไปฝังลึกกายเป็นตัณหาก็ อ, อุปาทานก็ะภพชาติสร้างการเกิดตายความรู้เท่าถึงที่เข้าไปประกอบตรงเนี้ใช้ตัววิชาไหมนั่นคือวิชาละเป็นความรู้เรื่องทุกข์ละเรื่องขันเรื่องธรรมชาติ เรื่องกลไกการเกิดตายเนี่ยว่าถ้าไม่ทันละมันดังนั้นพอวิชาก็ไปสัมผัสเนี่ยมันไปหยุดยั้งเจ้าเวทนานั้นให้ดับเย็นลงไปได้ไหมโดยที่ไม่เก็บไปฝังลึกแสดงไม่ติดเชือ้อเมื่อไม่เก็บไปฝังลึกในภาษาอนั้นจะทำให้มีตัณหาใ ห, ใ, หใหม่เกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ เมื่อตัญหาใหม่ไม่ก่อเกิดขึ้นตันหาเก่าที่เคยเก็บมาแล้วตั้งแต่เด็กมันจะหมดไปด้วยไหมเอาใหม่ตอบช้าๆภาษานั้นน่ะตันหาใหม่มันเกิดไม่ได้มันไม่ทำให้มีตัญหาขึ้นมาได้เพราะภาษานั้นเรารู้เท่าทันแล้วดงนั้นอุปทานที่จะมีเพราะตันหาที่จะเกิดจากภาษะนั้นมันก็ไม่มีพบที่จะมีเพราะอุปทาน เพราะผัรษะนั้นมันก็ไม่มีแต่ก่อนที่เราจะมาควบคุมรู้เท่าทันผัรษะนั้นเนี่ของเก่าของเราที่เคยนอนเนื่องอยู่เนี่ยมันยังมีไหม ม, มีดังนั้นเมื่อผัรษะนั้นไม่ได้ทำให้มีตัณหาตัวใหม่เข้าไปเกิดขึ้นภายในตัณหาตัวใหม่เกิดไม่ได้ก็แค่ไม่เข้าไปก่อใหญ่เท่านั้นเอง ไม่ได้หมายถึงทําให้ของเก่ามันดับไปด้วยภรรษะใหม่เนี่ยไม่ทําให้มีตันหาก็จริงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตันหาภายในที่เคยปล่อยให้เจ้าตันหามันเขามานอนเนี่ยมันจะหมดไปด้วยสิ้นไปด้วยดังนั้นเมื่อภรรษะนั้นได้รับการควบคุมรู้เท่าทันเนี่ยตันหาใหม่ไม่เกิดไม่ทําให้มีตันหาใหม่ใหม่ภายใน เมื่อตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่ามันหมดไปไหมไม่หมดเมื่อตัณหาเก่ายังอยู่อุปทานยังอยู่ไหมอยู่พบก็ยังอยู่แต่ตัณหาใหม่ที่เข้ามาทางตาที่เป็นปัจจัยจากทางตาหูจมูกลิ้นไกหรือใจก็ตามเนี่ยเมื่อมันไม่มีอุปทานที่พ่วงอยู่กับตัณหาใหม่ตัวนั้นมันจะมีไหม พบที่จะมีเพราะไอ้เจ้าตันหาใหม่ตัวนั้นมันจะมีมะั้มไม่มีชาติที่จะมีเพราะว่าไอ้เจ้าพบที่พ่วงกับเจ้าตันหาตัวใหม่ตัวนั้นมันจะมีมะั้มไม่มีแต่ตันหาอุปาทานพบชาติที่ยังมีอยู่เพราะปล่อยปละผัดสะมาลานแล้วเนะี่ยที่ยังค้างในใจเนี่ยมันจะยังมีมมีดังนั้นการสอนในรูปทรงแบบนี้ พระเจ้าต้องการให้บุคคลเนี่ยมีปกติผ่านวันคืนที่คอยรู้ให้ทันว่าไอ้เจ้าตันหาที่เขาไปนอนค้างข้างในเนี่ยเพราะตนเนี่ยไม่รู้เท่าทันเวทนามาแล้วทั้งนั้นแหละความไม่รู้เท่าทันเวทนาจึงทำให้มีตันหาถ้ามีตันหามันจะมีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานจะมีภพเมื่อมีภพจะมีชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไร ถ้ารู้ไม่ทันความรู้สึกอันนั้นบุคคลนั้นจะมีตัณหาและบุคคลนั้นก็มีตัณหามาแล้วตั้งหลายผัสสะกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าในตัณหาเหล่านั้นเนี่ยมันยังนอนอยู่ไหมนอนอยู่การปฏิบัติเมื่อรู้อย่างนี้บุคคลผู้ปฏิบัติก็จะรู้ได้ว่าพอตาถึงผ้าผูถึงเสียงจมูกถึงกลิ่นลิ้นรัใจถึงอะไรก็ตาม มันเกิดความรู้สึกขึ้นเนี่ยบุคคลนั้นควรที่จะรู้เท่าทันมีปัญญาขึ้นมาพิจารณาเพื่อสลัดละอารมณ์พระเจ้าใช้คาว่ามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกเมื่อมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกตัณหาทั้งหลายจึงไม่เข้าไปก่อใหญ่ในภายในคำว่าก่อใหญ่ก็หมายถึงของเก่ามันมีไหมมี ไอ้ตัวใหม่มันเข้าไปก่อใหญ่ภายในแต่ถ้าเราปล่อยปละผสะละัสล่ะแต่เราขยันจยกจะถึงความสิ้นตัณหาจะปล่อยปละละเลยผัสสะไม่ระวังเจ้าเวทนาเนี่ยไม่ระวังเวทนาบุคคลนั้นพร้อมจะมีตัณหาใหม่ๆเข้าไปได้ไหมพร้อมจะรักได้แรงขึ้นไหมพร้อมจะโกรธได้แขงขึ้นไหมได้ในผัสสะทั้งหลายมันทําให้มีเวทนา คำว่าเวทนานี่มันหลากอารมณ์เลยรักเกลียดกลัวเศร้าเหงาเบื่อสุขทุกข์อึดอัดทุกอารมณ์เนี่ยรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยให้มีตัณหาได้ไหมได้หมดดังนั้นเมื่อตาถึงภาพเมื่อหูถึงเสียงจมูกถึงกลิ่นลิ้นถึงรสอะไรก็ตาม ถ้าปราศจากวิชาเข้าไปสัมผัสเมื่อนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้มีตัณหาถ้าตัณหาในี่ยช่ว่าเกิดแล้วคิดอยากแล้วดับไปเนี่ยตรงนั้นคือทํางานอยู่ในหน้าตาของสังขารละขันคิดอยากความคิดมันเกิดแล้วโดยไม่ดับได้ไหมได้ไหมใครคิดแล้วให้แชร์ขางได้ไหมไม่ได้พอคิดเกิดขึ้นก็ดับไป ดับแล้วคืนมาได้ไหม <Yeah. S 1> เมื่อดับไปแล้วมีปัญหากับการเกิดตายล้วไมไมยไม่มีแต่ไอ้เจ้าตันหาในชั้ น, นอนเนื่องต่างหากที่มันมีปัญหามันเกิดแล้วมันมีพอมันมีตัหาขึ้นมาแล้วอุปทานก็มีเมื่อมีวิธานขันดับสนิตได้ไหม mm hmm. ไม่ไดับนั้นตรงส่วนนี้ตรงามีตันหา มีอุปทานมีภพมีชาติเนี่ยต้องมองเห็นด้วยอะไรปัญญามองเห็นด้วยปัญญาตันหาในชั้นหล่อเลี้ยงการเกิดตายก็คือตันหาในชั้นนอนประจําไม่ใช่ตันหาที่แสดงตัวอยู่ในรูปความคิดอยากความรู้สึกอยากคิดอยากเนี่ยเกิดแล้วดับรู้สึกอยากเนี่ยเกิดแล้วดับตรงรู้สึกต้องการ จริงจรู้สึกอยากจริงก็ไม่มีมันมีแต่ความคิดอยากเกิดแล้วก <bought>. <ặ n, S 2> ็ดับพอคิดอยากนิจใจเริ่มรู้สึกร้อนละรู้สึกกวนกระวายมันไม่มีความรู้สึกอยากไม่มีความรู้สึกกวนกระวายและมีความคิดอยากตรงคิดนี้ก็เรียกมีเจตนาคิดอยากแล้วรู้สึกกวนกระวายรู้สึกร้อนรุ่มรู้สึกกระหายนี่ถึ ความรู้สึกและทุกความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ดับลงกวนกระวายได้ทั้งวันไหม <Yeah. S 1> เกิดแล้วก็ดับลงแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้มันสามารถที่จะนอนเนื่องอยู่ภายในได้ไหม <Yeah. S 1> ได้ที่ยังนึกถึงมันอยู่ที่ยังกระหายมันอยู่นั้นตันหาที่ควรระวังคือตันหาในชั้น oh. นอนเนื่องแล้วตันหาที่นอนเนื่องอะมันเข้ามาทางไหน ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาตัวเดียวทางเดียวพอไหมที่จะเลี้ยงอุปท า, านพอพอแต่ปกติเข้ามากี่ทาง <c oughs> ได้ทั้งหกทางั้นไม่ต้องห่วงไอตัวเลี้ยงพบของเรามันมีหลายตัวมีเยอะนะละตัวนี้ได้แล้วเออฉันยังเหลืออีกตัว ลก็ยังเหลืออีกเยอะไม่ต้องห่วงนั้นส่วนภายในที่มีอยู่เยอะต้องกวาดออกให้เกลี้ยงด้วยยาณทัศนะและจะต้องมีปกติระวังผัสสะเพื่อไม่ให้ไอ้เจ้าตัวใหม่ๆเนี่ยมันเข้าไปมีขึ้นในใจความเข้าใจปฏิจจสมบาตอย่างนี้จึงมีประโยชน์ที่นำไปใช้ปฏิบัติได้ไมได้ปฏิบัติได้ คือระวังเจ้าเวทนาให้ดีไอ้เจ้าความรู้สึกเนี่ยระวังเจ้าเวทนารู้ทันให้ดีเมื่อใดเป็นความรู้สึกที่เข้มข้นในทางจะฝังลึกในทางจะถือสาในทางจะติดใจตรงนั้นอะไรต้องมาวิช า, วชาต้องมาละนำความรู้ธรรมะเรื่องไม่ใช่เราเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องโทษภัยของกิเลสเนี่ยเข้ามาเลย เข้ามาเพื่อดับเวทนาตัวนั้นให้เย็นลงไปเมื่อเวทนาตัวนั้นถูกวิชาเขาไปควบคุมทาให้เย็นตัวลงไปเนี่ยตันหาใหม่จะมีไหมไม่มีเมื่อตันหาตัวใหม่ไม่มีอุปทานพบที่จะมีเพราะเจ้าตันหาตัวนั้นก็มีไม่ได้เมื่อตันหาตัวใหม่ไม่มีเกิดไม่ได้ตัวเก่าหมดไปด้วยไหมไม่หมดเขายังอยู่ เขายังอยู่อันนี้คือระบบของห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทในชั้นที่พระเจ้าไม่ได้พูดถึงนามรูปวิญญาณสังขารไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่ได้มุ่งเน้นให้ทำความเข้าใจโครงสร้างปฏิจทั้งระบบแต่มุ่งเน้นเพื่อให้เอาไปใช้ประโยชน์ในการทำให้ตัณหาเนี่ย ถูกควบคุมถูกลดละถูกกำจัดถูกป้องกันแต่ถ้ามามองให้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยการอธิบายแค่เนี้ยห่วงโซ่ปฏิติทำงานทั้งสิบเอ็อาการไหมสิบเอ็อาการอยู่ดีเพราะว่าเมื่อมีเวทนาได้เนี่ยหมายถึงว่าภาษะก็มีอายตนะก็มีนามรูปก็มีวิญญาณก็มีสังขารก็มี และถ้ามีอวิชชาสัมผัสเวทนาอีกก็คืออวิชชาก็มีเมื่ออวิชชามีอะไรขึ้นมาอีกตันหาก็มีได้อุปทานก็มีได้พบก็มีได้ชาติก็มีได้ครบสิบเออาการัหมครบอยู่ดีนั้นไม่ว่าทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจอธิบายโดยย่อก็ครบอยู่ดีและตันหาก็คือตันหาตัวเดิมคือตันหาในภายใน ไม่ใช่ตัหาเกิดทีงดับทีงเกิดทีงดับทีงเกิดทีดับทีคือในภายในนี่คือห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทในแบบที่พระพุทธองค์ได้ผ่านวันเวลาของการตรัสรู้แล้วก็ได้ปฏิวัติเจ้าปฏิจจสุบาทให้บุคคลเนี่ยสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้โดยการแสดงปฏิจจสุบาทใน รูปทรงผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อโยมเข้าใจอย่างนี้นโยมสามารถควบคุมตัณหาใหม่ๆได้ไหมได้ทุกภาษะที่ทำไม่มีเวทนาถูกไหมทุกเวทนาทำไม่มีตัณหาไหมไม่นะะไม่ใช่ว่าเกิดตัณหามันทุกความรู้สึกนะตายเลยเกิดตัณหาเฉพาะเวทนาบางชนิด ไอ้ตรงเวทนาชนิดไหนที่จะทําให้บุคคลนั้นก่อราคะโทสะโมหะหรือก่อตัณหาเนี่ยตรงนั้นวิชาต้องมาถ้ารู้ไม่ทันมันฝังลึกเลยเหมือนรู้ไม่ทันนะติดเชื้อโรคเลยอย่างเขาใกล้ใครที่ป่วยหนักเนี่ยไอคอกแคกคอกแคกเนี่ยยิ่งเขาใกล้ต้องมีอะไรเข้าไปด้วยระวังตัวสูงเข้าไปด้วยพอระวังตัวดีจึงไม่ติดเชือ้อ กับภาษาทั้งหลายในโลกบามาสะเขาแรงแรงในทางที่จะติดค้างใจเราเลยเนี่ยต้องทําไมมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีวิชาเนี่ยเข้าไประวังเลยระวังเจ้าเวทนา น, นั้นเลยพอ ร, ระวังอยู่จึงสามารถควบคุมได้ไม่ให้จิตมีตันหาตัวใหม่เกิดขึ้นเมื่อตันหาตัวใหม่ไม่เกิดก็ไม่มี ตันหาเข้าไปก่อใหญ่ในภายในไม่ก่อใหญ่นะเนื่องจากของเก่าเรามีไหมมีมเพราะถ้าไม่มีเราก็เป็นอรหัน์ไปแล้วละ่ะเ <c oughs> นี่ยก็มีจบปฏิจจสมบาทง่ายไหมปฏิบติบางพระสูตรแสดงมาจากชาติจนถึงอวิชชาบางพระสูตรแสดงมาถึงเพราะ อะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปและอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเขาพอมีนามรูปจึงมีวิญญาณบัมพุสูตรก็มีแค่นี้บัมพ an ุสูตยาวไปจนถึงเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเขาพอมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีสังขารสามจึงมีวิญญาณบัมพุสูตรมาแค่สังขารสามบัมพุสูตยาวไปจนถึงอวิชชา ขัดกันไหมถ้าเข้าใจที่ฉันเทศก็จะบกว่าไม่ได้ขัดหรอก น, นี่คือความหลากหลายในเรื่องราวของปฏติตซึ่งรายละเอียดเขาเยอะเลยละ่ะเราอยากเข้าใจรายละเอียดกว่านั้นเราต้องทำยังไงไปใครควรเอาเองให้ได้เท่านี้ละ่ะไปใครควรหลากหลายหน้าตาของวองโซปติ ก็จะกลายเป็นผู้เต็มสมบูรณ์ในทางญาณทัศนะเรื่องเหตุเกิดทุกข์ได้ญาณทัศนะหนึ่งตัวตนไว้ก่อนนะเหตุเกิดทุกข์หรือเหตุเกิดชาตินะว่าเป็นอย่างไรหมดความสงสัยในเหตุเกิดทุกข์แต่ยังไม่หมดความสงสัยเรื่องทุกข์ไม่หมดความสงสัยเรื่องนิโรธคือความดับ เรื่องนิพพานยังไม่หมดความสงสัยเรื่องมรรคต้องศึกษาต่อการลาภะ